เราทำมัธยสนาลําดับที่สโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าทําเพื่อพ่อให้ดีที่สุดตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าพ่อแม่เป็นผู้มีอุปกราระคุณเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศ์สกุล ประพุตตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวพุทธศาสนาชนลูกศิษย์ลูกหาของท่านท่านไม่ให้ลืมพระคุณของพ่อของแม่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านาแล้วก็ประพุตตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดกาบางคนกินเหล้ า, เ, าเมาสุรา คันชายาฟินติดหมู่ติดเพื่อนติดยาบ้าจนพอแรงแล้วก็อยากจะมาให้พ่อแม่แบ่งปันมรดกให้ครอบครองพ่อแม่จะให้ได้อย่างไรเพราะประพฤติตนไม่สมควรควรรับทรัพย์มรดกพวกเราก็ควรจะประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกพ่อแม่จึงจะไว้เนื้อเชื่อใจพวกเราอันนี้ก็คือ สลบแล้ว ก, ก็ให้เป็นคนดีอันนี้ก็คือวันพงนี้เป็นวันทําบุญฉลากกระพัดตามประเพณีทั้งอีสานนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อเองจะได้ไปไประชุมอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดคณะสัทธาดาโยมถ้าอยู่บ้านตาดอยู่ใกล้น่าจะไปไประชุมร่วมกันก็ดีเหมือนกันนะเพราะวา่าเรื่องคลังหลวงท่านบอกว่า อย่าอย่าเอาเงินก้อนนี้มาใชเนะเงินก้อนนี้เป็นเงินประกันประเทศเป็นเงินประกันครอบครัวใหญ่ถ้าหากว่าครอบครัวของเราล่มสลายลงไปน้ำท่วมไฟไหมแผ่นดินไหว เ, เกิดจึกสงครามข้าวยากหมากแพงสินามิแผ่นดินเรือว่าเกิดโรคระบาดอย่างนี้ เราจะไปยืมเงินจากประเทศไหนมาใช้เวลาสุขเฉินเช่นนั้นเราควรจะมีเงินก้อนหนึ่งประกันไลูกหลานของเราคนทั้ง60กว่าล้านน่าจะมีเงินก้อนหนึ่งประกันเอาไว้แต่ถ้าว่าเราเอาไปลงทุนทั้งหมดเอาไปใช้จ่ายทั้งหมดหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นศึกสงครามอะไรเกิดขึ้นน้ำท่วมเกิดขึ้นเราจะหาเงินจากที่ไหน อันนี้หลงตาท่านคิดเป็นห่วงพวกเราคือเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานท่านราน ท, าน ท, านท่านไม่ได้ห่วงท่านท่านไปแล้วท่านไม่ได้ห่วงท่านท่านห่วงลูกห่วงหลานท่านห่วงประเทศชาติใช่คนที่เอาออกมาใช้นะ่ะมันไม่มีไม่กี่คนรัฐบาลหนึ่งก็มีอยู่สามสี่ห้าร้อยคน เ, เท่านั้นแหะเอามาใช้เปิดเปิดบัญชีออกมาใช้ร่างร่างกฎหมายออกมาใช้ แต่ผู้ที่จะได้รับผลกรรมหรืว่าผลแห่งการกระทำนั้นหกสิบกว่าล้านคนพอปล่อยออกไปแล้วเออไปก็ไปเอเอเไปทำอะไรในประเทศใช่ไปกอ่อสร้างมันก็ไม่เสียหายไปไหนแต่ดูในประเทศแต่ว่าเอาออกไปแล้วมันไม่กลับคืนมาที่เก่าพอไม่กลับคืนมาที่เก่านี่เงินก้อนนี้มันจำเป็นจะต้องได้ใช้าภายในประเทศเพื่อประกันคนในประเทศ แต่เอาไปใช้อย่างอื่นซะเอาไปกอ่อสร้างอย่างอื่นซะไปถมดินซะเอาไปทํารถฟงรถไฟซะเป็นหมื่นๆส้นแสนล้านเข้าไปเงินก้อนนี้มันหมดถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นละ่ะเราจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้ชั่วขณะที่มันจําเป็นนั้นสิ่งเหล่านี้ลงตาท่านคิดให้พวกเราไว้เสร็จนะเพราะนั้นถ้ารัฐบาลไหนขึ้นมาแล้วก็จะมาพูดเรื่องเงินก้อนนี้ ลูกศิษย์ลูกหาหรือคณะสัทธาญาติโยมองลงตาก็จะตืงนเตือ น, นอย่าน่ออย่าเอามาใช้ถ้าจะไปยืมเอาที่อื่นหรือไปทำอย่างอื่นออกมาก็ไม่เป็นไรแต่เงินก้อนนี้อย่าเพิ่งแตะเพราะเหตุว่าเป็นเงินประกันของพี่น้องประชาชนเป็นเงินประกันของประเทศถ้ามีเวลามีคร า, าวจาเป็นมามนใครจะไปทานายได้ใครจะไปคิดได้ อนาคตมันจะเกิดอะไรเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครทำนายล่วงหน้าได้ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมอไวเ้เงินก้อนนี้จะต้องเอาออกมาใช้เพื่อพยุงการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะนัานเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินของรัฐบาลาไม่กี่คนเงินคนทั้งประเทศเพราะนั้นพวกเราได้ยินแล้ว น, นะควรจะยืนเคียงบา่าเคียงไหลห้ามอย่าเอามาใช้เงินก้อนนี้ เอาไว้ก่อนถ้ารัฐบาลไม่มีความสามารถที่จะหาเงินมาดูแลประเทศชาติเราก็เขียนว่าเราก็ผิดน้องประชาชนก็คัดหัวกะทิเข้าไปเลยเนี่ยเข้าไปเพื่อบริหารประเทศเอพอเข้าไปแล้วแต่ยังไม่มีปัญญาที่จะหาเงินมารักษาประเทศมาช่วยประเทศมาอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราปรปับมีต่มองไปเหตุโฉนดที่ดินพ่อเนี่ย อไปเห็นโฉนดที่ดินพ่อเอาเงินเอาโฉนดพ่อมาขายใครก็ทําได้อใครก็ทําได้ทําอย่างนั้นเอปุบปับมาเห็นแต่โฉนดพ่อเอาโฉนดพ่อมาขายแท้ขายที่ดินพ่อเยใครๆก็ทําได้ทั้งนั้นแหละเออันนี้เราเราไม่อยากจะให้ทําอย่างนั้นเราอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายหาสแสวงหาถ้ารู้สึกว่าหาไม่ได้ก็ต้องท่านพวกท่านทั้งหลายต้องคิดประหยัดคิดประหยัดในการใช้ ไม่จริงจะถกูกไม่ใช่ว่าปลูกปรับมากเกิมองเห็นแต่เงินคลังหลวงออกมาใช้เงินคลังหลวงนี่ก่อนเขาก็ว่าเอาไปลงทุนนั่นแหละแต่แตามจริงลงทุนนะเราก็ไม่ว่าถ้าหากว่าคนที่เอาไปลงทุนนั้นน่าเชื่อถือแต่นี่เรามองมองดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือพอเอาไปแล้วมันจะเอาไปละเลงละลายเสียมากกว่าพอเอาไปใช้แล้วแต่นี่ลัด นายกหรือรัฐบาลของยิยงลักเอาไปใช้อย่างนี้ถ้าต่อไปภายภาคหน้าอภิสิทธิ์ขึ้นมาเขาก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวเพราะยิยงลักออกมาใช้รัฐบาลนั้นออกมาใช้ผมไม่รับรู้นะแล้วผลมันจะตกมาถึงใครก็ตกถึงพี่น้องประชาชนคนทั้งหกสิกว่าล้านคนเนะี่ยพวกเราด้วยแหละจะได้รับทุกที่นะี่พอเงินมันหมดจากประเทศแล้วล่มจมจิบวหายลงไปแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบในจุดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น ลุกสิทธิ์ของหลวงตาถึงออกมาเคียงบ่าคเคียงไหลว่าอย่าเอาออกมาใช้เงินก้อนนี้เอาไว้ก่อนให้หาเงินก้อนอื่นมาใช้เนี่หลวงตาท่านสั่งเสียเอาไว้เนี่ยฟังด้วซิลูกหลานลวงพ่อจะพูดให้ฟังท่านบอกว่าท่านสั่งเอาไว้ตั้งแต่ปี2543นหท่านบอกว่าใครจะอยู่ณนะที่ไหนไหนมีความรื่นเริงบันเทิงอยู่แค่ไหนก็ตาม ถ้ารากแก้วคือขังหลวงนี้ได้ขาดจะบั้นลงไปแล้วเขียนใบาตายให้เลยในขณะที่ความยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสผ่านไปเท่านั้นความโศกเศร้าโศกาอะไรทุกอย่างความหมดหวังจะลงในจุดนั้นหมดสังหารชาติไทยของเราจิบหายปนี้ไม่มีเหลือจิบหายอย่างใหญ่หลวงคือชาติไทยของเรา ได้ถูกทำลายลากแก้วคือคลังหลวงถ้าอันนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ทุกคนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากหลวงตามหาบัวจานสัมปันโนบอกเตือนด้วยธรรมหมิถุนายนพุทธศักราช2543 ลงตาเตือนมาองพนาห้ารอยสี่สิบสามท่านบอกว่าอย่าใช้เงินคลางหลวงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องรับผู้รับทราบเนะเอะไม่ใช่ว่าเห็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์ออกมาประกาศก็หาว่าพระออกมายุคไม่ใช่นะพระออกมาช่วยปกป้องช่วยกันอย่างหลวงพ่อ เ, เห็นไหมนะเนี่ลงตาท่งก็ได้สั่งเสียหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ เข้าไปร่วมจัดหาเงินทองเข้าทองคำเข้าครังหลวงเหมือนกันเลยหลวงพ่อในองค์หนึ่งเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดเกี่ยวกับเรื่องครังหลวงครังหลวงเนี่ยพินายกรรมของหลวงตาสั่งหลวงพ่ อ, เ, อ, อเมื่อท่านมรณภาพให้ให้จัดการทางต่อไปนี้ท่านสั่งไว้เป็นพินัยกรรมพินัยกรรมก็คือเป็นคำสั่งที่ ออกมาจากใจจริงออกมาจากจริงใจของท่าน อ, อไม่ใช่ว่าคิดได้คิดทำท่านออกมาจากใจจริงท่านคิดไต่ตรองดูแล้วท่านจะให้ใครเป็นผู้จัดการในเรื่องนี้อ้ท่านก็ได้เขียนเอาไวนะ้น่ะอ่านหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังอีกนะ่ะหลวงพ่ออ่านมานนี้ถ้าจาไม่ผิดก็สามสี่ห้าครั้งแล้ว น, นะแต่วันนี้ก็อญาติโยมลูกหลานเข้ามาใหม่คงอยากจะฟังอีกเหมือนกันนะไอ้พินัยกรรม ทำที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่๗พฤษภาคมพุทธศักราช254๓ข้าพเจ้าพระธรรมวิต ธ, ธิมงคลวงเล็บพระมหาบัวญนัสัมปนโนอายุแปดสิบเจ็ดปี ม, ภมีภูมิลำเนาอยู่ณนะวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอทำพินัยกรรมฉบับนี้เพื่อให้ทราบทั่วกันว่าเมื่อข้าพเจ้ามรณภาพแล้ว ให้จัดการทรัพย์สินของทรัพย์สินงานศพของข้าพเจ้าดังนี้ข้อ1บรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในขณะที่ข้าพเจ้าบรรณภาพและบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่จะได้รับบริบรจาคในงานศพของข้าพเจ้าให้จัดการดังนี้ 1.1 นสที่เป็นทองคำให้หลอมเป็นทองคำแท่ง 1.2 สวนที่เป็นเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใดให้นำไปซื้อทองคําแท่งให้นำทองคําแท่งทั้งข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ไปมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะให้บุคคลหรือคณะบุคคลใด นำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากเป็นเงินทุนสำรองของประเทศไทยเท่านั้นข้อ2ให้ตั้งคณะกรกรมการเพื่อจัดงานศพแล ะ, และร่วมกันจัดงานร่วมกันจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งปวงที่มีอยู่ในขณะมรณะภาพและที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข่าพระเจ้าโดยให้ดําเนินการอย่างเปิดเผย และดำเนินการตามเจตนาของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ในข้อหนึ่งข้อสามให้คณะกรรมการตามข้อสองมีจำนวนเก้าคนประกอบด้วย 1. พระอาจารย์ฟักสันติธรรมโม 2. พระอาจารย์อินทวายสันตุสโก 3. พระปัญญาวัตโธ 4. พระอาจารย์มัญชัยวิจิตโต 5. พระณองคมนตรีดอรอเชณศิลวันห นายสิลิคูสกุลเจ็ดม ร, รวทองสิริทองแถมแปดพันตำรวจเอกกิจชดาบุรณภานิจเก้าพันตรีปัจจัยนารินรักข้อสี่ข้าพเจ้าขอตั้งให้พระสุดใจทันตมโนเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าพิในกรรมฉบับนี้ทำไว้สามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้หนึ่งวัด ป, าป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุรณธานีสองธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาอุรณธานีสธนาคารกรสิกรไทยจำกัดสาขาอุรณธานีพินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จึงได้ลงชื่อไว้ต่อหน้าพยานลงชื่อพระมหาบุญธสัมปโนผู้ทาพิพพนัยกรรม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 นี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อเองก็ได้รับภินัยกรรมจากองค์หลวงตาว่าให้จัดงานศรีละของละหลวงตาอย่างไรแล้วก็ให้จัดการกับมรดกหรือทรัพย์สินที่คนมาบริจาคในงานศพของหลวงตาอย่างไรหลวงพ่อเองก็ได้จัดทําเต็มที่เหมือนกับพ่อสั่งพ่อสั่งเสียอย่างไงเราในฐานะลูก เราก็กระโดดเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นงานก็นสำเร็จรูล่วงไปด้วยดีทองคำเข็เข้าคลังหลวงเต็มเต็มที่ได้สิบสามตันกับแปดสิบหรือแปดกิโลหลวงพ่อก็ยังไม่ชัดเจนปลายมันนะแต่ว่าสิบสามตันนี้แน่นอนและก็ทองคำสิบล้านดอลลาร์อยู่ในคลังหลวงอันนี้เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อทำจบแล้วจบแล้วในเรื่องในเรื่องสลีละและทอง ต่อไปในกุคงจะเป็นเรื่องของพระเจดีย์เตียงพระเจดีย์หลวงพ่ อ, อ, อ ก, ก็บอกกับคณะสงฆ์คณะสิทธิ์น้องนุ่งทางหลายศรัทธาญาติโยมท้งหลายบอกว่าหลวงพ่อทําหน้าที่นี้เต็มที่แล้วจบลงไปแล้วส่วนที่จะสร้างพระเจดีย์ต่อไปภายภาคหน้าก็ขอมอบให้คณะสงฆ์เป็นผู้ดําเนินการต่อไปเพราะว่าถ้าว่าหลวงพ่อทํำไปเอกอันนั้นนอกเหนือจากพินกรรมแต่หลวงพ่อทำเนี่ย ทำลงไปให้ทําตามพินัยกรรมหลวงตาได้สั่งเสียที่นี่อ่านให้ฟังนี่แหละแต่เรื่องสร้างพระเจดีย์สร้างสถูปสร้างถาวรวัตถุต่อไปภายภาคหน้านั้นขอเหมอะให้แก่คณะิรรมการศิษยานุสิตทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาทั่วประเทศให้ช่วยช่วยกันคิดช่วยช่วยกันทำช่วยช่วยกันเสียสละเพื่อให้พระเจดีย์ขององค์หลวงตาเป็นที่เคารบสักการะกราบไหว้ของพวกเรานานเท่านานนะ นี่แวันนี้แหละตอนบ่ายโมงหลวงพ่อจะได้เข้าไปไประชุมอยู่ที่วัดป่าบ้านตาแล้วก็คณะสัตยา ญ, ญาติวงก็คงจะไปหลายคนเหมือนกันแต่ผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆอุดอรวันเน้นที่จะฟังหลวงพ่อพูดก็จะเข้าไปร่วมไปชุมก็ได้นะไปช่วมไฟงฟังด้วยกันแต่ตามจริงไม่ใช่หนึ่งเรื่องของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเรื่องของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคน เพื่อจะเคียงบาเคียงไหลปกป้องคลังหลวงเหมือนองค์หลวงตาที่ท่านบอกไว้ถ้าหากว่าเงินคลังหลวงหมดไปแล้วเขียนใบาตายให้เลยไงบทความหมายอาพอมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะวิ่งไปหาใครเงินในคลังหลวงก็หมดแล้วนี่แหละเราจะไปไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลบริหารไม่กี่คนเอาเงินก่อนนั้นออกมาถลุงอย่างนั้นเหร อ, เ, อเราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคนทั้งประเทศ เนี่ยนี่แหละขอให้พวกเราช่วยๆกันคิดนะพระป่าอาจจะคิดมากก็ได้อย่างที่ว่านั่นนะอย่างหลวงพ่อนะอาจจะคิดมากก็ได้แต่หลวงตาเนี่ยท่านเป็นพระอริยนะท่านคิดเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านช่วยอะไรตรมิอะไรพวกเราอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามอนาขตังเสยานขององค์หลวงตาสมัยบ้านเมือง จะร่วมจมจิบหายข่าวนั้นแหะปี3940ิ่ศนักวิชาการทั้งหลายก็เคียงบ่าเคียงไหลออกมาบอกว่าน่าจะหาทองคําน่าจะหาดอลล่าเข้าคังหลวงเพื่อจะได้ใช้หลวงตาบอกว่าทองคําหลวงตาไม่ได้เรียนเศรษฐศาสต ร, ร์ไม่ได้เรียนทางบัญชีไม่ได้เรียนทางการเงินมาทำให้หลวงตาจึงดื่อล้นขนาดนี้ถ้าเอาเงินไปซื้อทองคําทองคําไม่ใช่ว่ามันอยู่ยในเมืองไทยต่างต่างประเทศด้วย ยิ่งเงินที่จมลงไปอีกเมืองไทยก็ยิ่งจนลงไปอีกซื้อทองคํามาแล้วก็มาไว้ที่โกดังงานนั้นนะ่ะเหมือนกับซื้อก้อนอิด ก, ก้อนหินซื้อเหล็กมาทิ้งไว้ในนั้นนะ่ะมันเงินจมอีกต่างหากทาไมหลวงตาจึงเออไม่เอาดอลล่าเข้ามาไว้ในคลังหลวงเอามาใช้จ่ายหมุนเวียนเลยหลวงตาบอกว่ า, วาทองคำํำยืนยันขนาดเ อ, อไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันไหวเลยแล้ววันนี้เป็นยังไงถ้าหาว่าหลวงตาว่าให้ยึดดอลล่าเลย พวกเราคงจะหัวทิ่มบ่อน้ำตายไปทั้งประเทศก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ับันนี้เป็นยังไงเงินบาทของเราแข็งโปกเลยจะแข็งมากๆเลยโคตรกดไม่ลงเพราะเหตุอะไรเพราะเงินอยู่ในคลังหลวงมันค้ำยันไหมละ่ะเศรษฐกิจมันแข็งโปกเลยแข็งแรงเลยนี่ลหละหลวงตาเป็นผู้นำของโลกต่อมาเห็นไหมทุกวันเลย เศรษฐกิจมันปั่นป่วนเประเทศจีนถือดอลลาร์ไว้มากที่สุดในโลกเดี๋ยวนี้กําลังไม่รู้จะหาซื้อทองคําที่ไหนจะปล่อยอนดอนลล่าร์ทิ้งมันจะเป็นเศษกระดาษอะไรตะวนี่แหละเห็นไหมหลงตาเป็นผู้นําเป็นมุกผู้นาโลกหวงตาเนี่ยมองเห็นมองเห็นที่สิ่งพวกเรามองไม่เห็นแต่พวกเรามองไม่เห็นหลงตามองเห็นนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันไอ้พวกเราควรจะเชื่อว่าเรื่อง ทองคำเรื่องคลังหลวงเนี่ยหลวงตาสั่งเสียไปแล้วท่านมองเห็นแล้วความจีบหายมีนะแน่นอนนะถ้าว่าพวกเราไม่ในช่วยๆกันปกป้องนะนี่แหละอันนี้หลวงตาสั่งเสียอย่างเด็ดขาดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะฟังที่หลวงพ่อพูดที่หลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างนีน้อย่าไปเชื่อที่เดียวอตั้งความให้ตั้งสังเกตไว้ก่อนแล้วก็อย่าประพึงปฏิเสธให้สังเกต ให้ฟังเอาไว้นะถ้าถ้าเชื่อมากเชื่อเร็วเกินไปพวกเราก็เป็นควายหลวงพ่อหลวงพ่อจูงไปนะก็เชื่อหมดถ้าหากว่าพวกหลวงพ่อพูดให้ฟัง ม, มีแต่จะชนมีจตจะกัดอันนั้นก็เป็นเป็นวัวเป็นควายเป็นหมาที่ดกเหมือนกันเออมันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนั่นแหละพูดอะไรหัวชนฝาไม่ยอมฟังใครไม่มีเหตุไม่มีผลใช้ไม่ได้ หลวงพ่อไม่ต้องการทั้งสองอย่างลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ต้องการทั้งสองอย่างดื่อรั้นหลวงพ่อไม่ต้องการเออ่อนจนไปหลวงพ่อก็ไม่ต้องการหลวงพ่อต้องการคนที่มีเหตุผลยอมรับเหตุผลตันกันกองไตรตรองด้วยเหตุผลนะหลวงพ่อยอมรับอันรับพรอนุโมทนาให้พร